o b r i g a พา่นหลพ่อเลยทันเนี้ยเหมือนเดิมคือไม่สุดหลงแต่แม่ชีบอกแห่กินยาจีนของนาลีแล้วดีหลวงพ่อไปเทศที่เมืองรา ตั้งแต่ด้านนอกอไปรับเชื้อมาเพิ่มเติมหมอก็ให้กินยานะเพิ่มเสพยาสลักงขนา น, นี้ไม่ไหวแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเปี่ยนไปหลายอย่างตงหลังนี้หมอให้จินพาะลายโจทย์ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ชีก็ไปเมืองลางเป็นวัดเหมือนกันวัดตัวนี้โทษทนละมันดื้อจริง ตอนนี้คุณแม่เนี่ยก้าวขาขั้นฟ้าทลายโจรไปกินยาจีนแล้วถัดจากนี้ถ้าคุณกินย่างมอกนะเ <ś c oughs> ชื้อมันดื้อยาที่ได้เชื้อมันดึง <S <S ต่อไปพวกเราจะตายด้วยโรคง่ายๆเนี่ยเราฆ่าเชื้อไม่ได้อย่างถ้าเราฆ่าเชื้อไม่ได้นะแค่ผ่ า, าตัดนึงก็ตายแล้ว ไม่ตายเพราะป่วยอะไรหรอตายก็รติดเชือ้อน่ากลัวมากนะย่าเริ่มเอาไม่อยู่แล้ตอนเป็นนิสซิเกิดขึ้นครั้งแรกเนยะพวกนักวิอวสาดนักอะรพวกนี้ประกาศเลต่อไปนี้ชนะเชื้อโรคทั้งหมดลหละเรืองแปลว่าเชื้อโรคเขาพัฒนาได้เชื้อโรคก็เป็นอนิจจังเหมือนกัน พวกเราภาวนาเก็นะต่อไปเราอาจจะเป็นบาดตายหรือว่าเดินสะดุดเสี่ยนตันติดเชื้อตายนะไม่แน่แวต้องฝึกตัวเองให้พร้อมอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องพร้อมเรียนกรรมฐานกับลงพ่อแล้วก็ตั้งใจฝึกเข้านะต้องพยายามช่วยตัวเองให้มากนะครึ่งคนอื่นให้น้อย ช่วยตัวเองให้เยอะๆใส่เกตไปบางคนพอเรียนกับหลวงพ่อใส่กูวิ่งเข้ากลุ่ม น, นู้ดกลุ่มนี้เลี้ยวไหลที่หลวงพ่อสอนให้นะหน้าเหลือเฟือแล้วเราไปทำเท่านั้นเลยนี่ทำไมบางทีหลวงพ่อมีผู้ช่วยสอนคนเพราะว่าหลวงพ่อพอเข้าใจนะพวกเราที่ยิ่งเสีะนะ่องเนี่ยมันต้องการที่พึ่ง ให้พึ่สเปซสปานก็วุ่นวายเหลือเกินก็เลยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งมาช่วยสอนบางคนหลวงพ่ไม่ได้ตั้งนะมาสมัครเข้ามาสอนก็มีบางคนหลวงพอก็มอบหมายแต่ว่าหลวพอก็ต้องมีหน้าที่ดูอีกทีหนะึ่งว่าพวกเราเข้าไปเข้ากลุ่มเรียนแนละ้วดีขึ้นหรือเร็วลด เรียกว่าประเมินผลผู้ช่วยสอบประเมินมาหลายคนแล้วนะแล้วต้นเมื่อวันที่เจ็ดธันวาอีกลายเนี่ยพระวรอ่านรู้สิ์มาเยอะเลยให้หลวงพ่อดูว่าสอบผ่านไหมผ่านไหมตกลงผ่านพรวัวสอนใช้ได้รู้สึ์ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลง แล้วเมื่อสักสองเดือนก่อ น, นหมอับพามาหลายสนาส่สิบห0าิคนแกจัดคอสแกคุมคอสอยคนเดียวพามาให้หลวงพอดูโอเคพามใช้ได้รู้สึกไม่เร็วลงส่วนหนึ่งดีขึ้นอย่างต่างก็ต้องเสมอตัวนะไม่เร็วกว่าเดิมนะแ้วภาวนาแล้วเร็วทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วันนี้ใช้ไม่ได้ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่มาลีไม่เร like ียกพี่มาลีเลยเรียกป้าเรียกป้าอย่างป้าอ้วนเนี่ยเขาเรียกป้าคุณมาลีดูยังเด็กนะเรียกพี่ไปก่อนก็แล้วกันเรียกป้ามันสะเทือนใจอย่างคําว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บพรุ่งนี้พี่มาลี จะพาู้สิตมาให้หลวงพ่อตรวจเป็นระบบการตรวจสอบของว่านรานะตรวจส อ, สอบว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคไปปรับปรุงม า, าปรับปรุงไม่ได้ก็เลิกใช้ไม่ได้ของหลวงพอ่อตรวจง่ายกว่าระบบไอโซไอโซอะไรนะั่นทำกันแหลมปีเม่เรามอง เห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาสอบตกถ้าเห็นแล้วโมันมืดตื้อตือเลยนะแล้วใจเชื่อมซึมซื่อบือใช้ไม่ได้เป็นมิชชาสมาธิไอ้พวกซื่อบือเนี่ยมันจะคิดว่าจิตดีนะจิตมีความสุขนมีความสุข จะยอเดี๋ยวพี่มาลีแล้วต่อไปแต่ภาษาเนี้ก็ตรวจแล้วถ้าคนจีนมาให้ดูทีหนึ่งทั้งสองร้อยคนคนจีนที่เป็นลูกศิษย์แจ้งภาษาก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เหลวไหลไปเรียนที่อื่นซะก่อนนะก็จะดีเงินคนที่เรีย น, นแจางภาษาแล้วก็อยไปเรียนที่อื่น ตัง้งเขียนไป็นจรารย์ประสานใด้ผ่านการทวจสอบแล้วนะในหลวงพ่อทำแต่ ย, ยางปั๊มหน้าผากให้แต่ละคแล้วมีใครอีกอะไล่มาหลายคนแล้วนะคุณแม่ไม่พน้นหรอกคุณแม่สอบผ่านตั้งแต่แรกแล้วโลกสิทธิ์แม่ดีขึ้น โดยผิดสีนัาตาเฉยก็มีสศีลเคยกุ้งสร้างก็เริมีสมาธิคุณได้ เ, เงียบเงียบมีเก่งนะสอนผู้ช่วยสอนอีกทีหนึ่งนะสอนผู้ช่วยสอนอีกทีอีกคนหนึ่งที่ผ่านเนื้อจันอาพวกเราไม่ค่อยได้เรียนด้วยเนื้อจนะาพอหลวงพ่อเลิกเขาก็ตามหลวงพ่อไปเราไม่ค่อยมีโอกาสเรียนด้วยแต่พวกพระเนี่ยจะรู้ฝีมือเนื้อจันา สอดคลาได้ดีมาแล้วสอดจะได้เรื่อได้รามาแล้วมีใครอีกนบ้างป้านิดอยู่ไหนป้านิดขอดูยนโชมหนะ่อยอยู่นี่มีลูกศิษย์ยังป้านิดมีกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่มีลูกศิษย์เป็นตัวเป็นตนพวกป้านิดพวกซนะพวกหมอกเกิน้น อาจารย์สุรวัตรลูกศิษย์เยอะนะแล้วอาจารย์สุรวัตรสอนเก่งสอนดีแต่ประเมินผลลูกศิษย์ยากมากเลยเพราะแกสอนงวงกว้างลูกศิษย์ไม่ได้โปลูมาให้เราดูกวา้างแต่ดูสิ่งที่อาจารย์สอนเน่ดูไม่เปลี่ยนทุกหลับทุกเกมเป็นผู้ช่วยสอนที่เหลื อ, อยังมีอไหมอีกทั้งเด็กป้า ปาสำราญอาทิตย์ถัดไปหาลูกสิษย์มาให้หลวงพ่อดูเอาทีละคดใครก่อนตาก่อนโอเคหลวงพ่อจะตรวจว่าลูกศิษย์ดีไม่ดีบางคนตัวเองภาวนาได้นะแต่สอนไม่เป็นสาระลูกศิษย์ไม่เจริญหรือเจริญแต่เจริญลงมีนะไม่ใช่ไม่มีเราตรวจสอบ ฟ้าก็พามาสักสิบคนก็ได้สิบคนสุบตัวอย่างมานะไม่ใช่ไปเลือกแบบเจ๋งๆอย่างเดียวเลย <c oughs> เอาแบบให้มันมี represent ภาพที่แท้จริงน ะ, นะ <c oughs> เดี๋ยวเอาเลือกลูกศิษย์ชั้นหนึ่งมาโอ้พา น, นเอาเหรียญทองไปเลยอาจารย์คนนี้น <c oughs> สัมลางก็หัดไปนะลูกศิษย์สัมลา ป้าช่วยแก้ให้สำลันทีสำลันติเพลงตัวนี้อยู่ป้าดูออกว่ะเป็นช่วยบอกพี่เัาที <c oughs> มีใครอีกมีไหมอ๋อคนดลบดบเป็นพวกเดียวกับหมอเกลือ น, นพวกนี้ไม่ค่อยมาไม่ค่อยใจะสอนใคร พวกนี้ไม่เท่าไรแต่พวกที่สอนเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยพ่อต้องเพ่งเล็งหน่อยพาคนผิดเป็นกลุ่มๆนี่น่ากลัวนะแทนที่จะสร้างสมาธิาาทีไ่ไปสร้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาน่ากลัวมากที่นี่คนเยอะมันเคยมีพวกที่แอบพ่มาสอนก็มีนะไม่ได้เรียนในหลวงพ่อหรอกแอบข้อมาสอนเที่ยวไทยจิตคนโน้นคนนี้นี่จิตเธอเป็นอย่างนี้หลอกให้เขานับถือ หลวงพ่อบอกแล้วไอ้การดูจิตคนอื่นง่ายมามันยังรู้เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี้มาหลอกชี้สภาวะใช่ไหมทําให้คนที่เรียนเนี่ยต้องพึ่งต้องพึ่งคนสอนให้เขาคอายจี้ให้คอยชี้ให้อันนั้นเป็นควาลมล้มเหลวนะหลวงพ่อสอนสภาวะเหมือนกันแต่หลวงพ่อสอนสภาวะเพื่อให้พวกเรารู้จักสภาวะ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 ปลาโขงใหญ่ๆนะมันว่ายนำไปตัวหนึ่งว่ก็ตามไปตั้งพันตัวนกก็บินตามไปการที่เชื่อต่างๆกันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์หรอกคุณภาพต่กกว่ามนุษย์เราชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่องมงายความมงายนี่เป็นศัตรูเลยนะถ้าโสดาบันนะีล้ละความมงายได้ งั้นเราอย่าเป็นอาศุดแบบันอยาอน่างมงนายค่อยลดค่อยไปละไปอะไรที่ไม่มสมเหตุสมผลอย่าไปเชื่อต้องช่วยตัวเองให้ได้สังเกตไปต่อไปส่งงานบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนไม่ต้องเกี่ยงกันใครจะส่งก็เอาจัครับท่านหลวงพ่อครับ ความคลจิตอยู่ดูออกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริง ย, ยังแยกไม่ออกครับขณะนี้รู้สึกแน่นไหมรู้สึกื่อๆรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะส่วนตื่นเต้นอะไรนะครับตื่นเต้นนี่ก็ส่วนของความตื่นเต้นรเราบังคับไม่ได้แต่พอตื่นเต้นแล้วเราก็ไปทำใจให้ทื่ทอๆตย่างเนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตตื่นเต้นเป็นธรรมชาติตื่นเต้นได้ แต่พอตินเต้นแล้วเราไม่ชอบเราเข้าไปควบคุมตัวเนี้คือการแทรกแซง น, นปฏิบัติอย่าแทรกแสงจิตให้รู้จิตอย่างที่จิตเต็นนครับอย่ามังคับอยู่นะครั บ, รบออมาจิตไม่เข้าฐานหรือเปล่ามีบ้างาตอนนี้เข้าไหมตอ น, นี้คิดว่าไม่คิดเอาไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องเห็นเอา รู้สึกไหม ใ, หใจเราป้งป้งๆออกไปข้างนอกใจปังป้องๆออกไปข้างนอกไม่ดีนะหลวงปูดดูเร็กจิตออนอกหายใจเรารู้สึกตัวไม่ดึงจิตคืนนะหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกแล้วมันจะกลับเข้ามาเองอย่ า, ยาเข้าบ้านงั้นจิตอยู่นอกบ้านมีบ้านอยู่นะแต่ไม่อยู่บ้านไปอยู่นอกบ้านคือกายเนี่เป็นบ้านของจิต แทนที่เราจะให้จิตอยู่ในบ้านแล <Yeah. S 1> enfin ้วเราก็พาจิตออกไปอยู so ่นอกบ้านทิ้งบ้านไปกลัวเกาขึ้นมนเลยก็เมื่อวาเป็นวันแรกนะครับที่มาฝึกปฏิบัติที่นี่ทีนี้มีข้อสงสัยครับเป็นคนขี้ลงสัยก็เลยสงสัยว่าระหว่างการนอนไม่หลับรู้สึกกลัวกับเป็นคนรู้สึกกลัวเนี่ยมันจะแยกกันได้ยังไงครับเนอนไม่หลับต้หาทางหลับเท่านะ คือหมืนกับความพิกตัวใช่ไหมครับถ้าเกิดรู้สึกตัวว่าพิเหตุการณ์แบบนี้คือ <c oughs> คือผมเก็เคนที่เรยแยกไม่ออกรับ่างกายหลับนะแต่จิตตื่นได้นะแต่บางครั้งจิตต้องการพักจิตก็ระวังร่างกายก็หลับจิตก็หลับแต่ถ้าจิตมันหลับพักผ่อนพอแล้วจิตมันจตื่นมันเห็นร่างกายนอนวิธีพิสูจน์นะเวลานอนแล้วลองสั่งให้กระติกนิ้วสิ ถ้าร่างแายมันหลับเนี่ยมันไม่กระดิกหรอกแต่ถ้ากรกดิกนิ้วสิแม้กระดิกเย็งเลยไปหาทางนอนหลับก็นอนไม่หลับนานๆาเดี๋ยวเบลอขอบคุณครับทันานาารย์ครัออคอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่วัดค่ะได้นอน คนที่จับฉลาดคือคนที่ไม่เคยอยู่วัดนะเพราะฉะนั้นที่หนูประโยชน์ที่หนูพูดนี่เป็นเรื่องธรรมดาวานันก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆค่ะดแล้วก็คอยสังเกตว่าจิตนี่คิดอะไรบ้างอย่างนี้น ก, ก็แล้วก็จะรู้สึกว่าในขณะที่เรากำหนดลมหายใจหรือว่าเราเดิน จะรู้สึกเลยว่าจิตไปที่โน้นที่อย่างรวดเร็วมากใช้ได้แล้วก็พอรู้สึกตัวเนี่ยก็คือจะกลับมาที่ตัวเองแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราบังคับกลับมาหรือเปล่าดูอย่างนี้ถ้าถ้ามันกลับมาแล้วแน่นๆนะอยู่นานนะแสดงว่าบังคับนะถ้ามันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะจิตมันกลับมาเองเนี่ยจิตมันจะตื่นเบิกบานมันจะสบายนะแต่ถ้าเราดึงไว้มันจะแน่นๆแต่ที่ชัดเจนมากคือ เครื่อนไวเร็วมากค่ะใช่ไปที่ยังใช่จิตเที่ยวไปรวดเร็เที่ยวไปทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนะแล้วก็เพิ่มความไวโหสติขึ้นจิตหนีไปดูรู้ทันหนีไปฟังรู้ทันหนีไปคิดรู้ทั น, นรู้ทันจิตไปบ่อยๆต่อไปสติเราก็จะเร็วบางคนนะดูเห็นว่าจิตมันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็พยายามเคลื่อนที่ช้าพยายามจะนั่ง ไม่กระดุกกระดิกนะไปหันแล้หันแล้วกิเลสไม่ชาด้วยหรอกทำท่าไปางั้นแต่ใจในหันที่หนึ่งเนี้ยหนีไปร้อยรอบแนละ้วดูเอาไว้มันหนีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วมือระดับพระพุทธเจ้าจยบอกว่ามันหนีไปเร็วเลยแล้วก็ฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วน ทีแรกหนีไปนานกว่าจะรู้เราไปหนีพุกรู้ปังแยงนั้นใช่ได้ละไม่ใช่ฝึกให้มันไม่หนีนะฝึกจนจิตไม่หนีเนะียมันเป็นผลถ้าเราภาวนาจนถึงขีดสุดแล้วจิตไม่หนีไปไหนแนละ้วเลไม่ต้องรักษาแต่จิตขอเรายังหนีได้ก็ให้มันหนีไปแต่ว่าอย่าให้หนีนานอยู่กับพุโทโธอยู่กัลบลมหายใจไปพอมันหนีเราจะได้รู้ได้เร็ บาคนคิดมากนะบอกพุโทโธใช้ทําสมถะได้เท่านั้นแหละทํามิปั ส, สนาไม่ได้เพราะพุโทโธเป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติถูกของเขาแต่เขาถูกข้างเดียวด้านเดียวแต่นะเราพุโทโธให้จิตอยู่ที่คำว่าพุโทโธเฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเราพุโทโธเป็นเครื่องสังเกตจิตพุโทโธพุโทโธแลจิตนี้ไปเรารู้อันนี้เราใช้จิตเป็นวิหาร นี้ขึ้นไม่ปรั ส, สนาได้ไม่ได้ใช้พุโทโธพุธโทโธเหมือนเหยื่อตกปลาท่านนี้นจิตเป็นปลาเราเอาเหยื่อไปโยนลงน้ำไปเนื้อสะดว์ปลาปลากันมาแล้วเราพุโทโธอะไรเงี้ยเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองพุโทโธเป็นความคิดแต่เราจงใจคิดคำว่าพุโทโธเวลาที่เราหลงเราจะไปคิดเรื่องอื่นลืมคำว่าพุโทโธ เราก็จะลึกขึ้นได้ง่ายมากเฮ้ยหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วแสดงว่าขาดสติดล้เน้นเราหาัดฟุตโทนะเพื่อฝึกให้มีสติว่างไวท่านีนแ้แล้วพอสติเราดีสมาธิมก็มีจิตเคลื่อนไปสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนสมาธิจงเกิดอัตโนมัติไหมจิตจะไม่เคลื่อนตั้งมั่นอัตโนมัติตเนี่ยส ต, ติสมาธิเนี่ยทำงานด้วยกันค่อยๆยฝึกไปต่อไปปัญญาอย่างนี้เกิด ที่ไหวใจร้อนรู้สักไหใจมันบวกคนอื่นของขงเราไหมเวลางเรามีน้อยพวกอยู่วัดหมดแล้วใช่ไหมอา้าใครจะส่งกลับบ้านยกมือเบอร่เจด็ดยีบดอร์1ิเบอร์เบอร์เบอร์จดทันไหมเบอร์หเบอร์ีเบอร์เท่านี้ก่อนเต็มกระดานแล้ว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 แล้วก็เหมือนเราก็มองดูอาการแต่ว่าช่วงหลังก็คือรู้สึกว่าเวลาเรามองเราไม่ค่อยเป็นกลางแล้วก็เห็นความลาคัญไม่ชอบพ อ, อเห็นเหมืนจเจริญขึ้นแล้วน ะ, ะพอเห็นพวกนั้นได้ก็รู้สึกว่าสามารถมองหลายอย่างได้อย่างเป็นกลางนะมากนั่นแหละทีแสดงว่าพัฒนาเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อก่อนเรางพพูดแบบเป็นภาษาสุภาพนะ พอช่วยตัวเองได้แล้วดีแล้วล่ะแต่ไปลดตัวนี้ลงลดตัวนี้ลงล ด, ลดการเพ่งลงเป็นภาษาสุภาพที่จริงคือในเรื่องหรอกยังเพ่งโยูนะตอนนี้รู้ว่ายางว่าดีกว่าดีที่ดีที่ไม่ดื้อ น, นะก็ะค่อยๆพัฒนาแต่ก็ดูใช้เวลานา น, านอยู่ไปไ่ะจ๊ะคำสอนของครูบาอาจารย์บางคำสอ น, นใช้เวลาเป็น1ิปีนะ หลวงปู ด, ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อเลว่า่อใช้เวลา22ปีในการย่อยมีอยู่ประโยคหนึ่งพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเข้าใจเมงินใช้เวลาสปีไม่นานหรอกอยากรบกวนสอบถามเหมือนเผื่อว่าลูกจะได้ฟังคาสอนค่ะลูกจะบดเรีนทังนี้ค่ะอยากให้ เราได้แนวทางข้าวขาวจากหลวงพ่อลูกชายเจ็ดคนให้หลวงพ่อจนโฉมนะเด็กไทยอยมีขี้อายเลยหนีลงใต้ดินไปแล้วไปบวชน้าอยากกินขนมก็รู้ว่าอยากนะอยากนอนสบายก็รู้ว่าอยาก ไปดูใจไม่อย่างเดียวใจอยากอะไรก็ารู้นะตัวเดียวพอพอนะเปใจีกยกหลวงพ่อ็นวัยยี่สิบแปดรับรกครับหลวงพ่อทุกทก็ครอบเยี่เลี่ยนแปลงิตตเองอผมรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอคือปีที่ผ่านๆมาผมรู้สึกว่ามีความกดขูแล้วก็ Mm hmm. เรียทนทั้ั้ท่ายาเห็นไหมว่าตอนเนี้ยมีความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันครอบงาจิตเรารูออกไหมอย่าปล่อยให้ความรู้สึกครอบงำใจได้นะดูดูออกแต่ว่ามันก็ไม่ไไไมเคยได้สังเกตไหมว่ามันไม่ใช่จิตหรอก วออกไหมจิตเป็นคนดูมันไม่ใช่จิตหรอกไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าดูออกครับคือพยายามดูดูเห็นก็แบบผมไม่คิดว่าดูออกครับอ <c oughs> ที่จริงนะในเชิงปฏิบัตินะดีขึ้นนะไม่ใช่เลวลงสภาวะอย่างความเครียดเกิดเรารู้ว่าเครียดเนเี้แล้วแล้วว่าใจเราไปจมอยู่กับความเครียดเรารู้ว่าใจเราไปจม อ่านี้เป็นพัฒนาการนะค่อยๆเข้ารู้เข้าดูไปเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาดีไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขไม่ได้ปฏิบัติเอาความสงบแต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเนี่ยเป็นของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยฝึกไปนิจใจมันไม่ยอมรับความจริงมันอยากควบคุมให้ได้อยากบังคับไม่ได้เราก็จะตามรู้ตามดูไปได้วยสุดท้ายเนี่ย จิตมันยอมจำนวนต่อข้อเท็จจริงมันจะรู้ว่าเราบังคับไม่ได้ตัวนั้นน่ะที่เราจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาคือแบบเริ่มคือเมื่อหลายปีก่อนผมก็คือดูบ้างเข้าเข้อๆอย่างี้ครับสมัยก่อนรู้สึกว่าดูแล้วพอเห็นบ้างนั่งสมาธิก็จะแบบว่ามีความสงบบ้างแต่ปีหลังๆรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรนั่งสมาธิก็ไม่สมบงบแล้วมันเริ่มจากการเบื่องงา น, นงหลังจากนั้นก็มองไปทั่วโลกแบบ มองอะไรก็เบื่อเป็นหมดแรงครับเบื่อไม่ให้เป็นปัญหานะแต่ว่าอย่าให้มันครอบใจเราได้ความเบื่อเป็นแค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วถ้าภาวนาถูกนะมันจะเบื่อนะภาวนาแล้วก็หลงโลกเพลิดเพลินกับโลกนะี่ไม่ใช่หรอกแต่ภาวนาแล้วเบื่อให้รู้ทันจิตที่เบื่ออย่าให้ความรู้สึกเบื่อครอบงำจิตได้จิตจะต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นคนรู้คนดูให้ได้ คอยรักษาจิตเอาไว้เท่านั้นเลยคือมีเคล็อะไรหรือเปล่าคือผมก็ผมเห็นแะต่แบบไม่แน่ใจว่าต้องยูยังไงต่อดูแล้วมันก็ยังครบคิดเยอะไปนะคิดมากไปแค่รู้สภาวะที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ช็อที่หนึ่งอันที่สองรู้ปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะอันนั้นอย่างความเบื่อกเกิดขึ้นเียนะเราเห็นว่ามีความเบื่อกเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ตัวสภาวะ ตัดจากนั้นเรารู้ทันใจของเราใจเราไม่ชอบอยากให้หายรู้ใจที่ไม่ชอบเพราะฉนั้นภาวนาเนี่ยลงมาที่ความชอบความไม่ชอบการรู้สภาวะสภาวะทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วสงบหรือฟุ้งซ่านเท่าเทียมกันหมดเลยอยู่ที่ใจเราต่ละที่ทำให้มันไม่เท่าใจยินดีชอบเพื่ให้รู้ใจไม่ชอบก็ให้รู้รู้ลงไปที่ใจไม่ชอบ การภาวนาที่ผ่านมาในรอบปีนี้ดีขึ้นนะไม่ใช่เลวลงนะงงไหมงงครับงงเราคิดว่าดีจะต้องสงบต้องตั้งมั่นต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นออนมีคำ ว, ว่าต้องเยอะแยะเลยนะแต่ความจริงมันกำลังสอนมวยให้เราดูบังคับไม่ได้ช่อยบังคับได้ไหมตรงบังคับไม่ได้นั่นแหละคืออนัตตาธรรมะกำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรายังไม่เข้าใจ บทเรียนนี้เท่านั้นเองเลขสิ18อยู่ที่ไหนขอบคุณครับเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยตรวจกรรมบ้านของเขาการภาวนา สมัยก่อนเขาใช้ดูลมหายใจเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เขามองกับกรรมฐานอะไรครับทำไมเจ็บเปลี่ยนนะดูลมไม่ดีหรือเราลอ ง, ลองทำอนาปนาันสติให้หลวงพ่อดสูสิเอามือลง <c oughs> สมุดทยสบายๆตัดไปหายใจไปนะ <c oughs> เห็นร่างกายหายใจไป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 และการภาวนามจะเงินขึ้นเบอร์สิบเกิดขั้นที่เราหลวงพ่อสอนให้เขาดูจิตที่จิตจิตที่ ข, ขยับอ ย, อยู่อยู่แถวหน้า อ, อกอเขาอยากจะขอตอนนี้จะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อคนนี้จใจฟูกสานนะ งั้นอย่างเวลาเราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปแล้วเข้าใจฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องกลับมาทําความสงบมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยให้ใจมีแรงใหใจมีแรงแล้วเราก็กลับมาดูการทํางานที่กลางหน้า อ, อกนี้อีกจะดูเจริญปัญญารวดไปเลยดูความไหวตัวที่อตลอดไปเลยเนี่ยทําไม่ได้หรอกใจจะต้องมีแรงเพราะฉะนั้นทุกวันแบ่งเวลาทําในรูแปแบบ ให้ใจสงบอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้ทันเวลาใจมันหนีไปจัดอารมณ์กรรมฐานเรารู้ทันได้เรื่อยๆนะพอเรามาปฏิบัติจริงแล้วใจเห็นมันหมุนอยู่ตลกเนี่ไหวที่แปบบ๊แบๆนะใจเราจะไม่ถล่มลงไปดูเราจะดูอยู่สบายไว้อยูไ่ไว้คนละระดับนะดูสบา ย, บายไปอย่าคิดเดยอะไปนะชุดอนอยาคิดเดยอะไปว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ทำยังไงจะดีกว่า น, นี้นี่นีให้รู้ทันว่าใจปรุงสร้นนะปรุงสร้างพยายามหาว่าทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะดีอันนี้คือปรุงสั้นรู้ทันใจของตัวเองไปวัสิบออยู่ที่ไหนโอ้ตัวนี้คนจีนมาเยอะขนาด น, นี้ฉช่หรือนเะแต่นั่งคนๆ น, นี้ดูไม่ออกนะนนก็เหมือกับคนไทยนะ เขาจะทํารูปแบบท้วางทําอะไรนะทำทำรูปแบบจะทำํำท้วันครับนั่งสมาธิดูดูลมหายใจแต่ไม่สามารถเห็นร่งกายหายใจจะกจะขอคําแนะนํากหลพ่อจิตนี้สัยคนไม่เหมือนกันนะทํากรรมฐานอะไรเราใช้ได้ก็เานั้นแหละเพราะวนั่ ง, น, งนั่งที่ปฏิบัติอยู่ได้ใช้ได้นะจิตเขาดีขึ้นเราทําอย่างที่ทำวันนัน้นแหละ อย่าตนี้จิตนีไปคิดแล้วรู้ว่าจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตใจตัวเองหนี้ไปคิดอีกละหนีไปก็รู้นี่เรารู้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะเลยจิตตั้งมัน่นเต็มดวงสว่างสวัยดีรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ควบคุมไม่รักษามัน เราจะเห็นว่าจิตทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ดีก็อยู่โชคเราจิตที่ไม่ดีก็อยู่โชคเราดูไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชคเราไปฝึกต่อไปฝึกมาได้ดีแล้วเบอร์สิอยู่ที่ไหนพวกคนจีนเอาจารย์ประสาเก็สอนพื้นฐานมาดีแล้วนะถ้ามีอะไรก็ไปเรีย น, นอาจารย์ภาษา อาจารประสานขี้เกียจไม่ได้นะอจารประสานไม่ค่อยยอมอยู่สอนอ่ะใครเคยเห็เนอจารประสานมานั่งสอนในนี้บ้างนานมากแล้วนะหลายปีแล้วใช่ไหมลงมติพนามไหมเก็บไปสอนที่อื่นเก็บไม่ได้ขี้เกียจหรอกอีกค o s s สนู่นคอ s ์สนี้ใครๆก็อยากได้สองคนนะ กับคุณพี่มารีคนงานนิมนต์เยอะอีกคนรวมแล้วนิมนต์เยอะกว่าหลวงพ่ออีก <c> น <oughs> ะคนเบอร์สิบเก้าอยู่ที่ไหนครับเตือนมีนาหลวงพ่อเคยแนะนาตัวไม่เจออ่อเจอแล้วครับเบอร์เลยมีเอ่อเตือนมีนาหลวงพ่อเคยแนะนํ า, นาให้เขา ดูหลงหลงแล้วรู้หลงแล้รู้เขาก็ตามทำตามหลวงพ่อสอนเขาตอนนี้จะขอตรวจกรรมด้านดิใช่ได้นะสิต ด, ดีขึ้นแล้วหรอไปฝึกต่อไปหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆเวลาหลงเรารู้หลงเรารู้เนี่ยต่อไปจิตมันจับการหลงได้แม่นหลงปุ๊บนะสติจะไปเอง แล้วพอหลงแล้ว ร, รู้เนี่ยพอจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ปั๊บสติรู้ปั๊บเนี่ยการหลงมันจะดับจิตจะตั้งมั่นไม่หลงสมาธิจะเกิดพอสมาธิเกิดแล้วก็ไม่รักษาหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิต ร, รู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงเพราะฉั้นตรงที่รู้กับหลงหลงก็รู้หลงก็รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันได้ครบเลยนะสติสมาธิปัญญาได้ครบเลย เ, เพฉั้นภาวานามาถึงตรงนี้ได้ก็สบายแล้ว ก า, านะรภาวนาพเถึงขั้นละเอียดจริงๆนะเหลือแค่นี้แหละไหวติ๊กติ๊กๆกแค่นี้ไม่ทำต่อแต่ยังพุ่งสร้างอยู่นะนั้นแบ่งเวลาทำความสงบบ้างสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้จิตใจจะได้พักผ่อนเบอร์คนจีนเดนี้เขาสะาดนั่นแต่เดิมเขานั่งรวมกลุ่มเวลาเรียกหลวงพ่อก็จะเรียกกระจาย เดี๋ยวนีคนจีนดักหลวงพ่อไม่หมดเลยนี่ทางนี้ก็ทาคนจีนนี่ทานี้ก็ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะกลับประเทศมาเลเซียแล้วแล้วเขากลัว่าจะหลงทางออกไปอีกเขาอยากขอคําแนะนําที่เหมาะของเจริญเขากับการปฏิบัติเขาในเวลานี้ค่ะมีสตินะอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วล่ะยังรู้สึกตัวไปนะแล้วจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกบางทีดูใจไม่ออกบางวันงั สะสมดูไม่ออกก็ดูร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนปใจเราเป็นคนดูทำอะไรก็ได้ที่มีใจเป็นคนดูเนี่ดูจิตดูใจก็ความรู้สึกทั้งหลายเป็นของทุกดูใจเป็นคนดูที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่ยังยงมีจุดอ่อนคือเป็นคนที่สงสัยนะอย่าสงสัยเยอะสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่ง รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่จะเห็นในะความสงสัยมันเกิดได้เองเกิดแล้วอยู่ช่วคราวมันก็ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ทุกอย่างเท่าเทียมกันอย่าไปหลงคนความสงสัยเกิดแล้วคิดมากเลยนะยิ่งเสียเลยฟุ้สร้างสงสัยรู้ว่าสงสัยเม่จะเห็นนความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ตัวสภาวะาทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปเบอรยตอนนี้มีคนมาเรียนหลายประเทศนะเรามีร่างอย่างสองภาษาจีนกับอังกฤษยังขาดภาษาฝรั่งเศสรัสเซียอัสเปนอันนี้เบอร์บ ก็ขอถามสองข้อข้อแรกเขาฟันทำรรมาปีกว่าแล้วคือตั้นใจทําประมาณสองเดือนตั้งแต่เช้ากับเย็นเขั้นหน้าหนึ่งชวโมงมเวลาพายํารู้สตัวอรู้สึกว่าใจไม่ค่อยไม่ค่อยมีแรงฟงอยากจะขอการบ้านจะหลงพ่อว่าเขาโวรละวังอะไรใจไม่มีแรงใจเพราะว่ามีแรงนะไม่ใช่ไม่มีแรง ใจที่มีแรงมันไม่ใช่เหมือนกล้ามขึ้นนะใจไม่ไม่มีกล้ามหรอกใจมีแรงหมายถึงจิตใจมันอยู่กับเนือ้อกับตัวมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทันอย่างนั้นเรียกใจมีแรงไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยเยไม่รู้ลอนรู้หนาวอย่างนั้นใช้ไม่ได้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกมาได้ดีแล้วล่ะเว้นต่อไปนี้มีสติอยู่กับปัจจุบันไป มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้หรือถ้ารู้ความรู้สึกไม่ได้ก็รู้ร่างกายอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ร่างกายผนมมืออยู่นีก็รู้สึกไปเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเนีเห็นเหมือนเห็นคนอื่นนั่งเห็นเหมือนเห็นคนอื่นผนรมือเนีเห็นเหมือนคนอื่นโลภคนอื่นโกรธคนอื่นหลงไม่ใช่เราโลภเรากลรธเราหลงเราทําตัวเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกมาได้ดีเชียว โคดที่สองคืออีนี้เขาอายุห้าล้าสิบสองซึ่งเขาอยากรู้ว่าชาตินี้เขาจะมีโอกาสได้มากผลไหมครับมีโอกาสทุกคนแหละถ้าภาวนาแต่หลวงพ่อไม่บอกว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะมันมนมันไม่ใช่ระดับสาวกจะบอกได้ แต่ถาว่าภาวนามาดีไหมดีมีแนวโน้มที่ดีไหมมีแนวโน้มที่ดีแล้วมีโอกาสที่จะได้รับผลไหมมีถ้ายัางภาวนาผิดอยู่ไม่มีทางไม่มีทางได้เนี่ยในใจมืดตืซื่อบึ้มอะไรเงี้ยไม่มีทางช้า น, น้าก็ยังไม่ได้หมดคําถามเนี่ที่จริงคำถามประเภทว่าจะบรรลุไหมอะไรเงีลวก็ไม่ตอบบอกนะ ทำไมไม่ตอบตอบไม่ได้มันไม่ใช่กลุ่มนู้ของพระสาวกแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยท่านเก่ง น, นะท่านรู้แต่นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านหลวงพ่อเห็นว่ามันมีโทษมากมากกว่ามีคุณอย่างถ้ามาถามว่าสรุชชมภูมาถามโหนจะบรรลุไหมในชีวิตนี้แล้วหลวงพ่อบอกบรรลุนะชชมภูจะโอละลาเที่ยวเล่นไปให้เพลินเลยแก่ๆ แ, แล้วค่อยมาภาวนานอย่างว่าบรรลุ เนี่ยเสียเลยหรือพขาบอกว่าไม่บรรลุนะใจฟอชาตินี้ไม่มีทางแล้วเอาไว้ชาติหน้าก็จะจติบาแล้วก็รัวไม่บรรลุสักทีเนะนี่ยมันเป็นคําถามที่มีโทษเยอะนะหลวงพอไม่เคยถามคําถามนี้กับครูบาอาจารย์ไม่เคยถามเลยวิงทีท่านก็บอกอท่านเองในงนั้นเรื่องของท่านเราก็ฟังไว้เท่า น, นั้นแหละจริงไม่จริงหรือว่าภาวนา มีครูบาอาจารย์หลายองคที่ท่านพยากรณ์ท่านบอกไปหลายวงค์หลวงปู่ ด, ดุลหลวงปู่สิมอะไปบอกหลวงพ่อหลวงปู่สิมนักจากบอกว่าเรางพ่อจะภาวนาเป็นยังไงไงแล้วนะท่านยังบอกต่าไปจะทำประโยชน์ให้พระศาสนาได้มากอะไรนี้คุณแน่จันดีนะไปอีกช็อตหนึง คุณแม่จันดีบอกว่าหลวงพ่อเจ็บปยแค่นธรรมะไปได้ทั่วโลกท่าว่ามนะีนะนี่ก็เรื่องของท่านเราไม่ได้รู้ด้วยจะมาว่ามวดุตรีก็ไม่ว่าคุณแม่นะ่ะว่าคุณแม่จันดีท่านบอกเราก็ฟังว่วันเวลาเมื่อพิสุดน์ว่าจริงไหมที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้คนสุดท้ายเบอร์สิบสอง นี่คนประเทศไหนคนไทยนะเออเจอคนไทยละวีคนไทยศูนธรรมกันนล้วกรบาบธรรมสถานบง้าะโยมมาจากจังหวัดสกลนครมาปฏิบัติธรรมวันที่แปดถึงสิบสองก่อนจะมาเนี่ยโยมเหมือนออขังตัวเอง ไว้ในห้องมืดๆนะเจ้าคะ่ะมันหาทางออกไม่เจอเหมือนคนป่วยต้องการยา น, นะคะ<อ>ก็เลยมามาที่นี่ก็โชคดีที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตา<อ>ท่านไขกุดแจออกจากห้องอให้ให้โยมออกมาจากห้องได้รู้สึกตัวเองสว่างเจ้าคะ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หลงพ่อเมตตาแนะนำโยแต่ว่าหลงพ่อบอกว่าโยมจิตไม่ไม่แข็งแรง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 นะ แ, แต่โยกจะมีอาการก็คือถ้าทําสมถะโดยการนั่งสมาธิมันจะมีอาการตัวยโยกแล้วรู้สึกลาคาลแล้วก็รู้รสึกเลเครียดๆตึงๆนะเจ้าค่ะให้รู้ว่าตัวโยกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราดูมันก็เป็นอย่างนี้เลยน ะ, จะเจริญปัญญาเข้าไปเลยมันโยกได้เองมันไม่ใช่เราหรอกดูเข้าไปแล้วถ้าใจลาคาญให้รู้ที่ใจลาคาญ พอความรังควานหลับดับไปแล้วก็ดูตัวเป็นโยกไปไอ้ตัวโยกเรื่องปฏติเวลาทําสมาธินะขั้นต้นๆอ่ะมันมีปีติตัวโยกสปโยกโยกโยกแล้วหลวงพ่อก็สังเกตเนี่ยตอนหลวพอไปเจอตัวโยกทีแรกเลยอ๋อมันโยกสักพักหนึ่งนะจิตก็รวมดังนั้นพอเริ่มต้นหลวงพ่อโยกเห็นเลย โยมเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเป็นประจําแล้วมันรู้สึกว่ารําคาญจังเพียดด้วยอะค่ะก็ <f air> น่าลำคาญน่เครียด <c oughs> อ๋อ <f air> แล้วอย่าไปโยกมั้งดูมันโยกใ <f air> ช่ค่ะแล้วเราโยมมีโอกาสที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปข้างหน้าไหเจ้าค่ะมันอยู่ที่ตัวเอง <f air> นะโอกาสน่ยเราเป็นคนให้ตัวเองถ้าเราไม่ได้ให้โอกาสตัวเองยังไงมันก็ไม่มีโอกเหากันพระธรรมมาเป็นของกลาง ธรมะเป็นของกลางทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแต่ว่าจะเข้าถึงหรือไม่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะบุญวาสนามีสองส่วนของเกา่าของเก่าเคยทํามาแล้วมันก็ไม่จะอยากทำอีกหรือทําแล้วก็ทํางง่ายกับของใหม่ความเพียรในปัจจุบันสาคัญมากนะเป็นตัวชี้ขาดบุญงามความดีบุญบารมีในอดีตนะมันยังไม่เต็มเราถึงยังไม่ตัด ถ้าในปัจจุบันเราไม่ทํามันก็ไม่เต็มเสียทีเน้อตัวที่ชี้ขาดคือปัจจุบันเนี่ยอย่าท้อใจว่าแหมบุญเราไม่พอคนโน้นบุญมากกว่าเราอะไรเงี้ยบางคนไม่นชอบที่อย่างนี้นะเคยมาบอกหลวงพ่อเลยหนูไม่มีบุญเลยโอ้โหหนูเก่งจังเลยหนูรู้อดีตหมดแล้วหรอว่าไม่มีบุญเลยเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายถึงบ้า ถามคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อโยมมีบุญวางศสนาไหมเจ้าคะไม่มีบุญนะมันไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกถึงเป็นมนุษย์ก็พี่คนที่การบ้าใบบ่อมนวดเรียนกรรมฐานไม่ได้การเข้าเจ้านี้เราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีศรัทธาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะ บุญมานั้งหลายชกแล้วเหลือเข้าใกล้สัตบุรุษมาเจอครูบาอาจารนยะ์ได้ฟังธรรมะเหลือกันเอาไปลงมือปฏิบัติที่จะทำเ่ให้บุญของเราเต็มฟังอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติบุญไม่เต็มหรอกตอนนี้โยมคิดว่าโยมเจอสตัตบรุรุษแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวเองจะมีกิเลสจะจะขี้เกียจ น, นะเจ้าค่ะอย่ากลัวอะไรอย่างไรก็มี ขี้เกียจด้ยอย่าไปยอมมันสิสู้มันนะขี้เกียจเบื่อท้อแท้เป็นคำที่ใช้ไม่ได้ในการทํากรรมฐานขี้เกียจเบื่อท้อแท้ขาดกําลังใจอุ้ยฝังแนละ้วมันต้องสู้หลวงพไม่ปลอบมนะันนอย่างนั้นบอกขอกําลังใจเออให้มีกําลังใจก็ไปให้คนที่เขามีกําลังใจมาเรียน มน่งกับพ่อพงษ์พอเด็กอ่อนอย่างนี้นนะเสียเวลาเราเกินไปนะไม่ทำหรอกเพราะไม่ได้กับลงข้อต้องเข้มแข็งนะเพราะลงข้อเรียนจากครูบาอาจารยนะ์ลงข้อสู้นะมีกับท่านพอเรียท่านสอนนิดเดียวหายใจเข้าพุดออกโธนับหนึ่งนับสอง น, น, น, นับสามเลยทำทุกวันทำสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีไม่ต้องให้สมัสมสช สั่งซก็ไม่ได้ท่านอยู่ไม่กี่ปีท่านก็สิ้นไปนนแลนมาเจอหลวงป่ตุลท่านให้ดูจิตลงพ่อดูไม่เลิกดูจนกระทั่งจิตมันมแตกไปดูไ ป, ไปเรื่อยๆสลายไปรู้ผลดูไปเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆไม่ได้รับสาให้นิ่งเลยนะความสุขความสงบความดนะีเป็นแค่ผลปลอยได้ ขอให้เห็นความจริงสักก่อนเถอะถ้าเข้าถึงความจริงนะจิตมันมีความสุขมีความสงบมีความดีของมันเองตอนนี้อยากสุขอยากสงบ อ, อยากดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สร้างเดี๋ยวก็ร้ายนี่สรสองแปวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาถามมีบุญแค่ไหนมีอะไรบุญไม่รู้นะหลงพ่อ ทำไมภาวนาหลวงพ่อต้องไปูหุ่นแค่ไหนหลวงพ่อเห็นว่ามีกิเลสแค่ไหนเออเห็นตัวนี้ชัดเลยะกิเลสมีเท่าไหร่ลดไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี้มองออกเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นบบนนได้เลยตัวออกเราคิดว่าตัวออกประมาณเท่าไยาก <ขอ S 1> เลยยากหรอกอย่างตอนนี้เหลือเท่าไหร่บอกหลวงพ่อชื่นใจหน่อยสิ ตอนนี้เหลือสักประมาณ40เจ้าค่ะครับถ้าบอกเสียเยอะก็จะจะเดี๋ยวลงท่อจะว่าโอเวอร์แอนนะคะเจ้าค่ะบอกตามความเป็นจริงสิ40เนี่ยน้ะมันระดับข้านาขาขึ้นแล้วสาธุเจ้บค่ะ ก็ขอบพคุณค่ะหนวงพ่อที่เมตตาเจ้าค่ะพรเมตตาเสนอเลยเหลือพวกเราเมตตาตัวเองนะถ้ารักตัวเองก็ภาวนาเรื่องอะไรชีวิตต้องจบอยู่ในความทุกข์นิรัดนดร์ต้องสู้นะอย่ายอมแพ้อย่าถดถอยต้องสู้เข้มแข็งไว้ ความอ่อ น, น่ไม่เคยนำชัยชนะมาให้ใครอดทนเข้มแข็งอ่ะหมดเวลาพอดีนี่หมดเลยครับเห็เนไหมหลวงพ่อเก็บเวลานิดหน่อยเก็บหมดเลยนะใช้ปรนะโยชน์อย่าง้าหลวงพ่อก็คุยด้วยแล้วสาธิโยมอยคือระยะ้ามาไม่ถึงนะ